เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สองธันวาคมพุทธศักราช2550าตรงกับวันแรง8คดาเดืนอน12เป็นวันพระ วันธรรมสวนะวันฟังธรรมวันที่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตที่มีความศรัทธาอันแน่วแน่ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติภารกิจที่พระบรมศาสดา พระอรหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอนั่นก็คือให้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ละบาป ท, ทั้งปวงและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลง ให้หมดไปจากจิตจากใจเพราะความโลภความโกรธความหล ง, งเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความเศร้าหมองความไม่สบายใจและการชำระก็จะเป็นการทำให้ความเศร้าหมองนั้นเบาบางลงไปและหมดไปได้ในที่สุด พระบรมศาสดาจึงได้บัญญัติวันพระไว้ให้สำหรับพุทธศาสนิกชนได้มีวันที่จะได้มาชำระมาทำความสะอาดจิตใจเหมือนกับทางโลกที่เขาก็มีวันหยุดการทำงานให้อาทิตย์ละสองวัน คือวันเสาร์และวันอาทิตย์เพื่อจะได้มีเวลาทำภารกิจส่วนตัวทางบ้านเช่นทำความสะอาดบ้านซักเสื้อผ้าต่างๆให้สะอาดเพราะถ้าไม่มีเวลาแล้วถ้าจะต้องใส่เสื้อผ้าที่สกปรกอยู่ในบ้านที่สกปรก ก็จะมีความรู้สึกไม่สบายแต่ถ้าได้มีเวลาได้หยุดจากการทางานได้มาซักเสื้อผ้าได้ทำความสะอาดบ้านช่องก็จะทำให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายใจของเราก็เป็นเหมือนกับเสื้อผ้าเป็นเหมือนกับบ้านช่องเหมือนกัน ตลอดระยะเวลาหวันเจ็ดวันที่ผ่านมาใจของเราก็ต้องไปเบ่อเปื้อกับมลทินต่างๆเช่นความโลภความโกรธความหลงเมื่อถึงเวลาวันพระเราก็จะได้ใช้เวลานี้มากำจัดมาชำระความโลภความโกรธ ความหลงให้เบาบางลงไปเพราะเพื่อเราจะได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายใจเช่นเดียวกันดังนั้นการมาวัดในวันพระจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับจิตใจถ้าเราต้องการให้ใจของเราอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่เศร้าหมองไม่ซ้อยเศร้าหงอยเหงากับเรื่องราวต่างๆเราก็ต้องหมั่นชำระใจของเราอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็หนึ่งครั้งนี่เป็นอย่างน้อยแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะชำระให้มากขึ้นไปกว่านั้น ถ้าไม่มีเวลามาวัดก็ชำระที่ไหนก็ได้เราอยู่ที่ไหนเวลาใดที่เราทำความดีที่เราต่อสู้แล้วก็ชนะความโลภความโกรธความหลงได้ในเวลานั้นเราก็จะได้ชำระใจของเราเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่านที่มาวัด เช่นวันพระนี้จะมีโอกาสได้ชำระได้มากเพราะมีเหตุมีปัจจัยที่เกื้อหนุนให้เราได้ชำระกันอย่างเต็มที่แต่ไม่ได้หมายความว่าการชำระใจนี้จะต้องอยู่ที่วัดแห่งเดียวเท่านั้นการชำระใจนี้สามารถชำระได้ทุก ที่ทุกเวลาขอให้เราตั้งใจเรือมีความรู้สึกตัวว่าเรากำลังจะทำอะไรอยู่ถ้ากำลังทำในสิ่งที่จะสร้างให้ใจของเราเกิดความเศร้าหมองขึ้นมาคือมีความโลภ ก, ก็ดีความโกรธก็ดีหรือความหลงก็ดี เราก็ต้องระ ง, งับเสียอย่าไปโลภอย่าไปโกรธอย่าไปหลงถ้าเราระ ง, งับได้ก็เท่ากับเราได้ชำระกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจนั้นให้เบาบางลงไปจึงไม่ควรจะรอเพียงแต่วันพระ เท่านั้นที่เราจะมาละความโลภความโกรธความหลงด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมแต่เราควรจะทําอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาถ้าเรามีสติดูใจของเราอยู่เสมอเราจะมีโอกาสได้ชําระ ใจเราอยู่เรื่อยๆเพราะใจของเรานี้จะสร้างสิ่งที่เป็นมลทินสิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมองคือความโลภความโกรธความหลงของเราอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องพยายามที่จะชำระมันด้วยการศึกษาทำความเข้าใจว่า ความหลงนี้คืออะไรเพราะความหลงนี้เป็นเหตุที่จะทำให้เราเกิดความโลภแล้วก็จะทำให้เราเกิดความโกรธตามมาถ้าเรารู้ว่าความหลงนี้เป็ น, ปนอย่างไรแล้วเรารู้จักวิธีแก้ความหลงได้ต่อไปเราก็จะไม่มีความโลภเราก็จะไม่มีความโกรธ ความหลงนี้เปิดเปรียบเหมือนกับความมืดบอดเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราอยู่ในสถานที่มืดไม่มีแสงสว่างเราจะไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่บีอยู่ในสถานที่นั้นได้แต่ถ้าเรามีแสงสว่างมีไฟฉายหรือมีเทียน เรามีไฟฟ้าพอเราเปิดขึ้นมาเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในสถานที่นั้นได้ฉ <Yeah. S 1> ันใดใจของเราที่มีความมืดบอดของความหลงค้อบงมจิตใจ <Yeah. S 1> ก็ต้องอาศัยแสงสว่างแห่งธรรมเพื่อทำให้เราได้เห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงถ้าเราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะมองไม่เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงจะเห็นกับตาละปัดเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องแสดงความหลงให้เราเข้าใจว่าคืออะไร ความหลงนั้นท่านทรงแสดงไว้ว่าคือเห็นในสิ่งที่เห็นสิ่งที่เที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเรา เพราะเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้อย่างนี้ก็จะทําให้เราเกิดความโลภขึ้นมาอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปจะต้องมีการเสื่อมไปจะต้องมีการสูญเสียไปในที่สุดเราจะไม่ เห็นกันนี่เรียกว่าการเห็นความความเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงเราเห็นเวลาเรามองอะไรเราเห็นอะไรเราก็เกิดความยินดีอยากจะได้ขึ้นมาเช่นเห็นข้าวของต่างๆที่เขาโฆษณาขายตามสื่อต่างๆพอเราเห็นแล้วเราก็อยากได้ทั้งๆทีทททททท่เราไม i, ่เคยคิดเลยว่า เราไม่มีสิ่งนั้นเราก็อยู่ได้ก่อนที่เราเห็นสิ่งนี้เราก็อยู่มาได้มีความสุขแต่พอเห็นแล้วเกิดความชอบขึ้นมาก็เกิดความโลภตามมาก็อยากจะได้แล้วถ้าไม่ได้ก็เกิดความเสียใจเกิดความโกรธขึ้นมาเช่นอยากจะได้อะไรแล้ว ไปขอเงินพ่อแม่หรือแฟนสามีหรือภรรยาเพื่อจะเอาไปซื้อในสิ่งที่ตนอยากจะได้แต่ไม่ได้ดังใจหมายก็จะเกิดความเสียใจเกิดความโกรธขึ้นมาเมื่อเกิดความโกรธแล้วก็จะาพาให้ไปพูดไปทำในสิ่งที่เสียหายตามมา นี่คือลูกโซ่ที่เกิดจากความหลงเราจึงต้องพยายามสอนใจเราให้ฉลาดให้รู้ทันความหลงเวลาเราเห็นอะไรแล้วเกิดความอยากได้ขึ้นมาเราต้องใช้เหตุผลถามตัวเราเองว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้น มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพหรือไม่ถ้าไม่มีความจำเป็นก็ไม่ควรที่จะเอามาเพราะมันจะไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงมันจะให้ความทุกข์กับเราในภายหลังเวลาเราได้มาใหม่ๆเราจะดีอกดีใจแต่พอเวลาผ่านไปสักระยะหนึง่ง พอสิ่งนั้นเปลี่ยนไปหรือเสียไปเราก็เกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นเราซื้อเห็นของชิ้นหนึ่งเช่นโทรศัพท์มือถือราคาแพงๆเห็นว่าเขาสามารถทำอะไรได้หลายอย่างก็อยากได้ก็อุตส่าห์เอาเงินที่หามาได้ด้วยความยากลาบากนี้ไปซื้อมา ทั้งๆ ท, ที่ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องมีโทรศัพท์มือถือนั้นเราก็อยู่ได้เมื่อก่อนเราก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือเราก็อยู่กันได้เวลาจะโทรศัพท์ก็เอาเหรียญไปหยอนในตามตู้โทรศัพท์สาธารณะต่างๆเราก็โทรศัพท์ติดต่อกันได้แต่พอสมัยนี้มีโทรศัพท์มือถือที่สามารถทำอะไรต่างๆได้ หลากหลายพอเห็นแล้วก็เกิดกิเลสเกิดความโลภขึ้นมาถ้าเราถามตัวเราเองซักหน่อยว่าจำเป็นไหมถ้าเรามีมีสติรู้ทันในตอนนั้นถ้าเรารู้ว่ามันไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องซื้อมันมาเมื่อเราไม่ซื้อมาเราก็จะตัดปัญหาที่จะตามมาได้ปัญหาที่เกิดจากความห่วงความกังวล เวลาเรามีของแพงๆไว้ใช้เราก็ต้องคอยดูแลรักษาถ้าเกิดเราเผลอวางไว้ทิ้งไว้ที่ไหนเราก็จะเกิดความตกใจเกิดความเสียดายเสียใจขึ้นมาแล้วยิ่งถ้ามันหายไปก็ยิ่งจะเสียใจใหญ่ในขณะที่มีมันเราก็ต้องคอยดูแลรักษามันต้องคอยเฝ้ามันมันก็เป็นความทุกข์ เพราะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองมันจะไ ม, ไม่รู้ว่ามันจะจากเราไปเมื่อไรไม่รู้ว่ามันจะเสียเมื่อไหร่แทนที่จะเป็นความสุขก็เลยกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาและไม่นานสักวันหนึ่งมันก็ต้องเสียมันก็ต้องจากเราไปมันก็ไม่ใช่เป็นของเราที่แท้จริง ถ้าเราสอนใจเราเสมอว่าเวลาเราเห็นอะไรถามว่ามันดีจริงหรือไม่ให้ความสุขกับเราจริงหรือไม่หรือให้ความทุกข์กับเรามากกว่ามันจะอยู่กับเราเสมอไปหรือเปล่ามันจะเป็นเหมือนอย่างที่เราซื้อมาตั้งแต่วันแรกหรือเปล่ามันจะเป็นของเราที่แท้จริงหรือไม่ถ้าเราถามคำถามเหล่านี้แล้ว ก็เท่ากับเราจะกำลังแก้ปัญหาของความหลงพอเราถามแล้วเราก็จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงพอเราเห็นอย่างนั้นเราก็จะได้ระงับดับความอยากได้เก็บเงินไว้ดีกว่าเงินทองที่หามาด้วยความยากลําบาก เก็บไว้ใช้ในสิ่งที่จำเป็นดีกว่าเพราะชีวิตของเรายังต้องอยู่ไปอีกระยะหนึ่งเรายังต้องอาศัยสิ่งต่างๆที่จำเป็นเช่นยารักษาโรคอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยถ้าเราไม่มีเงินทองเราก็จะลำบากลำบนนี่คือวิธีสอนใจให้หายจากความหลง เมื่อหายจากความหลงแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมีความทุกข์เราจะได้ไม่มีความโลภที่จะไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปหาคนนั้นคนนี้มาเพราะหามาแล้วแทนที่จะมีความสุขก็กลับกลายเป็นความทุกข์ตามมาเช่นเราอยู่คนเดียวเราก็เกิดความหลงคิดว่า ถ้ามีคู่ครองแล้วจะทำให้เราอยู่มีความสุขแต่เราไม่เคยคิดว่าความสุขที่มานั้นก็มีความทุกข์แทนมาด้วยพอเวลาเราได้คู่ครองแล้วเราก็ต้องมีความทุกข์กับคู่ครองของเราเราก็อาจจะต้องทะเลาะกันบ้างมีความเห็นไม่ตรงกันก็ทะเลาะกันหรือว่าถ้าเขา จากเราไปกระทานหันเราก็ต้องเสียอกเสียใจนี่เป็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่เป็นสมบัติหรือตัวตนเป็นของของเราอย่างแท้จริงและไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงถ้าเรามีปัญญาแล้วเราจะอยู่อย่างอยู่คนเดียวจะดีกว่าแต่การจะอยู่คนเดียวได้นั้น เราก็ต้องมีวิธีเพราะการจะอยู่คนเดียวได้เฉยๆนั้นก็ต้องมีการทำให้ใจของเรานั้นมีความพอใจความพอใจที่จะเกิดขึ้นก็คือเราต้องให้อาหารใจเราต้องทำความดีต่างๆเพราะการทำความดีนี้จะทำให้จิตใจของเรามีความสุขใจมีความพอใจ เช่นวันนี้ญาติโยมมาทำความดีกันมาทำบุญมารักษาศีลมาภาวนานี่คือวิธีที่จะทำให้ใจของเรานี้มีความสุขมีความพอใจที่จะอยู่ตามลำพังได้แต่ถ้าเราไม่ทำความดีเลยใจของเราก็จะถูกความหลงนี้คอยหลอกคอยล่ออยู่เรื่อยๆ แเวลาใดที่เราเผลอรู้ไม่ทันมันก็จะหลอกให้เราหลงไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้คนนั้นคนนี้มาเป็นสมบัติดังนั้นเราจึงต้องพยายามทําความดีตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้เราทํากันคือให้เรามีการให้ทานอยู่อย่างสม่ําเสมอเรามีเงินทอง มีของใช้ที่เหลือเฟือที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บไว้เราก็นำเอาไปแจกจ่ายให้กับผู้อื่นเพราะเมื่อเราทำแล้วจะทำให้ใจของเรามีความสุขมีความอิ่มมีความพอแต่ถ้าเราเอาเงินที่มีเหลือใช้นี้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปซื้อของที่ไม่จำเป็น มันก็จะทําให้ใจเรามีความหิวมีความต้องการมากขึ้นแทนที่จะมีความอิ่มกับมีความอยากเพราะเมื่อซื้ออะไรมาแล้วต่อไปก็อยากจะซื้อใหม่อีกซื้อของมาวันนี้ก็มีความสุขมีความดีอกดีใจไปชั่วระยะหนึ่งแล้วพออีกไม่กี่วัน ก็เกิดความอยากจะซื้อของใหม่อีกแล้วพอเห็นเขาโฆษณาทางสื่อต่างๆก็อยากได้อีกเพราะใจนี้จะไม่ได้อิ่มไม่มีไม่ได้พอด้วยการทำตามความต้องการของใจยิ่งทำตามความต้องการมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างความต้องการให้มีมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ พอได้คือก็อยากจะได้สอบพอได้สอบก็อยากจะได้วานี่คือความต้องการของใจเป็นอย่างนี้มันจะไม่ลดน้อยลงไปแต่จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราต้องการให้ใจของเรามีความต้องการความอยากน้อยลงไปให้มีความอิ่มมีความพอมากขึ้นไปเราต้อง เสียสละเราต้องสละสิ่งที่เรามีอยู่แทนที่จะเอาเงินที่เรามีเหลือใช้นี้ไปซื้อของต่างๆที่ไม่จาเป็นเราก็เอาไปทำบุญให้ทานถ้าทำอย่างนี้เรื่อยๆแล้วใจของเราจะมีความอยากความต้องการน้อยลงไปเรื่อยๆจะมีความอิ่มมีความพอมากขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อมีความอยากความต้องการน้อยลงไปก็จะทำให้เราอยู่อย่างสบายไม่ต้องไปดิ้นรนไปหาสิ่งต่างๆมาทุกวันนี้เราลำบากลำบนกันก็เพราะความต้องการที่ไม่รู้จักไม่มีขอบไม่มีเขตนั่นเองความจริงพวกเราทุกคนนี้มีสิ่งต่างๆที่พอเพียงกันอยู่แล้ว เราอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องไปดิ้นรนหาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเรอใจของเราแต่เราไม่ได้ทำไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่คอยดูแลใจของเราด้วยการให้อาหารใจก็คือการทำบุญให้ทานนี่เองแทนที่เราจะเอาเงิน ที่มีเหลืออยู่นี้ไปทาบุญให้ทางเพื่อให้ใจของเรามีความสุขมีความอิ่มมีความพอเรากลับไปไปใช้ในสิ่งที่ทำให้เกิดความอยากความต้องการเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆหรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่พอไปเที่ยวเสร็จแล้วกลับมา ก็อยากจะออกไปเที่ยวอีกอยู่ไม่ติดบ้านเพราะว่าใจนี้มันติดกับการเที่ยวเป็นเหมือนยาเสพติดหรือบุหรี่หรือสุรายาเมาสิ่งต่างๆเหล่ า, านี้มันไม่มีความจำเป็นต่อชีวิตของเรามันไม่ได้ให้ความสุขกับเราแต่ความหลงมันหลอกให้เราไปติดเข้า พอติดแล้วก็เลิกยากติดบุหรี่แล้วพอจะเลิกก็เลิกยากติดสุราแล้วจะเลิกก็เลิกยากยิ่งถ้าไปติดยาเสพติดใหญ่ก็ยิ่งเลิกยากใหญ่เช่นเดียวกับการติดการใช้เงินทองแบบสุรุ่ยสุรายใช้แบบฟุ่มเฟือยใช้แบบไม่มีเหตุไม่มีผลใช้กับการไปเที่ยวก็ดี กับการซื้อข้าวของต่างๆที่ไม่จำเป็นก็ดีเมื่อใช้แล้วก็จะติดเป็นนิสัยพอวันไหนไม่ได้ใช้ก็จะรู้สึกอึดอจจดัดใจหงุดหงิดใจไม่สบายใจก็ต้องใช้ไปอยู่เรื่อยๆจนเงินทองไม่พอใช้พอไม่พอใช้แล้วก็จะเดือดร้อนเพราะความหงุดหงิดใจความไม่สบายใจก็ยังไม่หมดไป แต่กับมีมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนจะต้องทำให้เรานี้ต้องไปดิ้นรนขวนขวายหาเงินหาทองมาด้วยวิธีการต่างๆวิธีที่สุดจริตบ้างก็ปลอดถ้าทก็ก็ก็ไม่เป็นไรก็ปลอดภัยแต่ถ้าไปหาด้วยวิธีที่ทุจริตก็จะมีปัญหาตามมาอีกมากมาย จนในที่สุดอาจจะแก้ไม่ได้บางทีอาจจะต้องใบติดคุกติดตารางไปถูกเขาจับไปประหารชีวิตก็ได้ทั้งหมดนี้เพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารกับใจไม่ได้สร้างความพอความอิ่มให้กับใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเราหมั่นทำบุญให้ทานกันอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพราะเมื่อเราทำบุญแล้วใจของเราก็จะมีความสุขมีความสบายอยากไปเสียดายกับสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่มีคุณค่ากับจิตใจสิ่งที่มีคุณค่ากับจิตใจก็คือบุญและกุศลถ้าเราทำเอาเอาสิ่งที่ไม่มีคุณค่านี้มาทำบุญให้ทานมันก็กลายเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมา เป็นสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมาทำให้ใจของเรามีความสุขมีความอิ่มมีความพอทำให้เราไม่ต้องไปดินน้นรนไปทำในสิ่งที่เสียหายทำให้เรามีศีลขึ้นมาทำให้เราเป็นคนดีขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราเป็นคนที่มีจิตใจที่สูงคือมีความเมตตากรุณาไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นไม่ชอบ ทำร้ายผู้อื่นเพราะจิตใจที่มีแต่จะให้นั้นจะเห็นโทษของการเบียดเบียนว่าจะทำให้จิตใจนั้นวุ่นวายจะทำให้ทุกข์จะทำให้ไม่สบายใจคนที่ให้อย่างสม่ำเสมอแล้วจะจิตใจจะเป็นอย่างนั้นจะเห็นความสุขที่แท้จริงว่าไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่อยู่ที่ใจของเรา ไม่ได้อยู่ที่ที่เงินทองไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้อยู่ที่คำสรรเสริญเยือนยอไม่ได้อยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะต่างๆแต่อยู่ที่ใจของเราที่ได้รับการดูแลรักษาด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลแล้วก็จะทำให้เรานั้นอยากจะให้ ใจของเรามีความสุขความสงบมากยิ่งขึ้นเราก็จะเห็นความสำคัญของการภาวนาคือการทำจิตใจให้สงบด้วยการนั่งทำสมาธิด้วยการเจริญวิปัสสนาเพราะการกระทาทั้งสองชนิดนี้จะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสุขมีความอิ่มมีความพอไปตลอด ไม่มีวันเสื่อมคลายการทําบุญให้ทานการรักษาศีลให้ความสุขความสงบกับใจได้เป็นระยะระยะแต่ถ้าเราไม่ทําอย่างต่อเนื่องเบี้ยวมันก็จะเสื่อมหายไปได้แต่ถ้าเราได้ทําภาวนาทําจิตใจให้สงบและเจ ร, ริญวิปัสสนาทําให้ใจของเราฉลาดรู้ทันความหลงจนเราสามารถกำจัดความหลง ให้หมดไปจากจิตจากใจได้ความโลภความโกรธก็จะไม่มีตามมาใจก็จะมีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอมีแต่ความสุขไปตลอดนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบภารกิจให้กับพวกเราได้ปฏิบัติกันเริ่มต้นตั้งแต่การทําบุญให้ทานการรักษาศีลการปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาฟังเทศฟังธรรมเพื่อเป็นเครื่องมือที่จะสร้างความสุขสร้างความอิ่มสร้างความพอให้กับจิตใจของเราพอเมื่อเรามีความสุขความอิ่มความพอแล้วเราก็ไม่ต้องไปดิ้นรนอีกต่อไปเราไม่ต้องไปมีเรื่องวลาไปทำบาปทำกรรมกับใครอีกต่อไป และไม่ต้องไปใช้เวรใช้กรรมอีกต่อไปชีวิตของเราจะมีความสุขไปตลอดอนันตการจึงขอให้ท่านทั้งหลายเห็นให้เห็นความสำคัญต่อการมาวัดอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นวันพระก็ดีหรือ ว, วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ดีขอให้ได้มาบําเพ็ญอยู่เรื่อยๆเพื่อชาระความโลภความโกรธความหลง เพื่อทำจิตใจให้มีความสุขมีความอิ่มมีความพอซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายปรารถนากันเพียงแต่เราไม่รู้วิธีเท่านั้นเองเพราะเราถูกความหลงหลอกให้ไปทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราควรจะทำแทนที่จะสร้างความอิ่มความพอให้กับเราเรากลับไปสร้างความหิวความอยากความต้องการให้กับใจของเรา ดังนั้นขอให้เราเชื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอแล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขและความจเจริญโดยฐานเดียวการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรยนัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ และบุญคุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นตัดใจให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเทอ